ทุกท่านทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายบรรพชิตยิ่งทั้งหลายได้แสดงจิตเป็นกุศลตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นจะได้ผลมากดีกว่าเราไปรู้ธรรมะศึกษาธรรมะแต่ไม่มีธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะ ก็ไล่ความหมายมากไม่มีประโยชน์ในชีวิตของท่านพั่วนั้นใครก็รู้ว่าทำดีอย่างไงทำชั่วอย่างไง ร, รู้ตัวได้กันทุกคนรู้ดีซะด้วยแต่ในรู้ในเชิงปฏิบัติการนั้นไม่คอยจะรู้กันเพราะไม่ทราบรู้ไม่จริงรู้ไม่ซึ้งรู้ไม่เข้าใจ ส่วนมากคนเราทั่วไปไม่เข้าใจชีวิตของตนเองไม่ควรควรจะวางชีวิตยอย่างไรควรจะวางแผนการอย่างไรในชีวิตเขาไม่รู้ตรงนั้นเขารู้แต่ว่าทำดีก็ได้ดีอย่างนี้ทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างนั้นมันรู้ตัวเดวยกันทุกคนแต่ความรู้จริงและรู้ซึ้ง รู้เข้าไปถึงจิตใจที่จะมีหลักการในเหตุผลจากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่คอยจะรู้กันถ้าท่านทั้งหลายไม่ไลงมือปฏิบัติหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาว่าในจิตใจแล้วท่านก็นกลายเป็นคนไร้ความหมายหรือเป็นคทำภีร์เปล่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงชัดเจนเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้คำภีรเปล่า คำพีเปล่านี่คือรู้ในหนังสือรู้ตัวธรรมะดีหรือชั่วรู้หมดแต่เปล่าด้วยคาพีคำพีเปล่าก็หมายความว่ามันเปล่าประโยชน์ในชีวิตของ ต, องตนเองตนเองหาได้มีประโยชน์ในชีวิตใหม่อันนี้เป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งทิสทนทั้งหลายมาเข้ากรรมาฐานกันมาขอสมาทานประกอบมาฐาน ด้วยศรัทธาปัสสาทะด้วยความเลื่อมใสใจจริงต่อพระรัตนตรยัยต่อคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมประสงค์ท่านจึงจะปฏิบัติได้ดีมากคนที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสจะปฏิบัติตามเขาก็ไม่ได้เลื่องราวอะไรก็มากมายหลายประการจะพูดอะไรก็รู้หมดแต่รู้แบบนี้นะ่ะมันไม่รู้จริงทึ ง, งจิตใจ ไม่รู้ซึ่งถึงจิตใจแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบังคับไว้ในหลักสูตรสองประการขั้นถาธุระต้องเรียนวิชาใส่ใจหาความรู้ติดตัวตนให้ได้ไปอันดับหนึ่งในเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติความรู้นั้นให้มันซึ้งปฏิบัติทมตามคาสอนปฏิบัติตามวิชาการทีรเร่เราเรียนเล่าเรียนมา ถึงจะมีประโยชน์เราเรียนอะไรได้ทักอย่างหนึง่งแต่เอาไปเอาวิชาไปทิ้งไม่จะสร้างสรรค์ไม่จะแต่ง ต, ต่างฐานะของตนแต่ประการใดเก็ไร้ความหมายมีความรู้แต่ไม่สู้งานฐานะก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยไม่เป็นประโยชน์สัตย์ผลแต่ประการใดรู้ไวช่ว่าใสาบ่บาแบกหามก็จริง แต่ที่จะรู้วิชาปัญหายากไม่ก็จะสนใจเรียนศึกษาเราเรียนจะประการใดไปสนใจเรื่องอื่นกันหมดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนตามพังเพยคำโบราณสืบเนื่องมาจนบัดนี้เนี่ยรู้อะไรเท่ากับรู้ตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้คําว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีคนนั้นต้องมีปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดได้แน่นอนทุกคน คนที่ไร่เหตุผลไม่ได้ปฏิบัติทำกรรมผ่อนทำสองของปรึกทธเจ้าจะาตัวไม่หลอดแล้วก็จะไม่ปลอดภัย <c oughs> จะมีแต่เสียจังลายตลอดเลยการคนประเภทนี้น่ะคนที่ไล่ธรรมะขาดคุณธรรมขาดข้อคิดขาดสติปัญญาในจิตรับรองทำอะไรไม่ได้ผลอนทำอะไรเน่ยจอิชาหรือายาออกมาอย่างนั้น และความคิดก็ไม่ดีความดำรีอะไรมาก็ไม่จะชอบไม่จะประกอบการในชั้งคมเหล่านั้นแล้วทําอะไรก็เอาดีไม่ได้ด้วยเพราะอิดได้จึงทําดีไม่ได้เพราะไม่มีธรรมประจําใจไม่มีสติทั้งปัญญะแต่ประการใดจึงทําไม่ได้แล้วก็เอาดีก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ส้อนตัวเองก็ไม่ได้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 อยากรวยไม่อยากจนแต่ทุกคนก็ไม่อยากจะทำอะไรเกิดขึ้นไม่มีการดำริลิเริมอันใดขึ้นเราจะเป็นคารว่าผู้คลองเรือนหรือคาราหัดผู้ครองเรืนร อ, รอรนนั้นมีหลักธรรมประจําจิตของตนเองแล้วจะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพในครอบครัวของตนจะทําอะไรก็กาวหน้าเดี๋ยวใชยแลวขวาก็กาวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานของเขา จะออกมาบอกให้เราชาัดเจนมากแต่เรามาทำงานกันเดี๋ยวนี้ทำงานตามอารมณ์ทำงานตามอัจฉุญาายะัยไม่ทำงานด้วยหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยมีสติทั้งปัญญาอันส่วนลึกเราใช้ส่วนตื่นกับสมัมมาส่วนลึกเราไม่เข้าใจส่วนจิตใจในภายในเนี่ยขันติความอดทนในขันติธรรมนี่ก็ไม่ค่อยจะมีกัน คนเราจึงเลี่ยงงานเก่งไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเอางานเอาการไม่อยากจะสร้างผลงานให้กับชีวิตของเขาทานศีนภาวนาก็หมดไปการปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ทานศีนภาวนาทานตัวนี้แปลว่าเฉียสลาดเวลาที่มีประโยชน์ของตนตัดปริภพภอกังวลมาไม่ต้องไปห่วงยายภาะวะผวหลังผวงหน้าแต่ประการใดเกิดถึงจะเป็นสมาธิ ในเมื่อเกีเ่ยวสมาธิในะการปฏิบัตินี้นะ่มันก็เกิดผลนเรียกว่าศีลนภาวนาต้องมีศีลมีสติทั้งปัญญาศีลก็อยู่ครบตั้งสติไว้ครบคุณสมบัติของมนุษย์ก็ครบแล้วแถมมีภาวนาเพิ่มขึ้นต่างใจที่จะศึกษาภาวนาศึกษ า, า, า, กษาชีวิตใยแจมมใสทำใจสะอาดหมดจดทุกประการเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมา ทำอะไรก็ดีตลอดต้นชนปลายไม่เป็นกระบอลกระแบงกระตอนกระแตนจับประการใดคนประเภทนี้ก็หาได้ทั่วไปไม่อยากจะปฏิบัติคนที่ปฏิบัติทำอย่างน้อยมากร้อยละหนึ่งก็หายยากไม่ได้นสนใจในภาพปฏิบัติแต่ประการใดคนเราเนี่ยบุญวาชนะสาคัญมากคนมีบุญวาชนาดี มีนนสัยดีมาจต่อดีตชาติมาในชาตินี้จะยากโนเงินทองต่อของนอกตัวเรามาปฏิบัติธรรมข้ะจิตใจก็แจ่มสายจิตใจก็ดำานิคิดมีสติปัญญาเกิดขึ้นก็ใช้สมองกลดลนบรรดาลจากหลักธรรมมีกุรสมบัตขึ้นตนไปประกอบอาชีพการงานเข้าก็าจะได้ร่ำรวยจะได้แก้ปัญหาชีวิตได้ในระหว่างทางและเกิดขึ้นเฉพาะหน้า มันก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองคนไม่ปฏิบัติตามเอ็นพระพุทธเจา้ายังสอนว่าปานาติปาตาเวดมณียาฆ่าสัตว์เลยทำให้อายุสัน้นทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหงอยเปรียเสียขาเพราะเราไปฆ่าสัตว์เข้ามาทำลายชีวิตของเขาทุกคนก็รู้แต่ไม่ก็ยังฆ่าบรรลุประเหตใดเพราะไม่ปฏิบัติธรรม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 ถ้าคนที่รู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็าสามารถจะเบียดเบียนชีวิตเขาได้ เ, เบียดเบียนทรัพย์เขาเบียดเบียนประเวณีนะบัตรสีในสังคมมันก็เกิดขึ้นมันก็แป่ใข้ปัญหาไม่ดัดโลกร้ายมันจึงจะเกิดขึ้นในสังคมที่เขาลือกันนั้นโลกร้ายแล้วก็โลกยาเสติดมันจะเกิดขึ้นทุกที่ทุกทางแต่เราซึ่งในรถรธรรมแล้วจะไปเสพติดทําไม จะไปล่วงประเวณีหนะ้าบาตรีที่เป็นโรคร้ายในช่องโคมทาไมเพราะเรามีสติดีสัมปชัญญะดีปฏิบัติธรรมะได้ให้จิตใจก็เหมาทางนี้มันจะไม่ออกไปมีเรื่องราวมีอุปสรรคขัดข้องอีนั่นอีกต่อไปเท่านี้ทำไม่ได้อยากาทาก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่อยากนกะแต่กาปฏิบัติธรรมที่จะเริญสติปัฏฐ า, านสี่ได้นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจดำเนินงานชีวิตชวตชีวิตนี้ต่อไปเป็นทางสายตรงและสายเอกเพราะเรามีสติดีทั้งประชัญญะดีไม่ต้องแก่จริตไม่ต้องแก่จริตแต่ประการใดคนที่ทำธรรมาทิมโนยิชิตไม่ก็ต้องแก่จริตต้องการสวยต้องการอะไรต้องการตรงไหนจริตชอบทางไหนก็อเอาอย่างนั้นแต่โดยวิธีปฏิบัติธรรมโดยทางสายเอน็นนี้ไม่ต้องใช้จริต ไม่ต้องไปแก้เลยเรามีสติควบคุมจิตได้เมื่อใดก็มีศีลมีสัจมีกาลยานามิตรกาลยาณธรรมอู่ประจําตนทำอะไรก็ได้ผลจิตก็เกิดเมตตาปรารถนาดีเรียกว่ามนุษย์ยอดชั้มพันทำอะไรก็ประสานงานที่ดีสร้างความดีโดยสามปฏีธรรมพูดก็พูดโดยสัจจะมีความจริงใจต่อกันไม่มีแหนงแแปลงใจไม่ลุ้งแวงต่อกันด้วย ทำอะไรก็โงงไปโงงมาทำด้วยชีวิตจิตใจทำด้วยความจริงใจรู้คำว่าคำจริงใจต่อเขาเขาก็จริงใจต่อเราอย่างไม่มีการลุ้งแหวงไม่ต้องมีการระแวงสงสัยซึ่งแต่ละกันไม่มีวิจิตรช้าแต่ประการใดคนนั้นถึงจะเข้าถึงธรรมะถึงจะปฏิบัติธรรมะได้คนยังมีเลสเลยมในมีการถือตัวนิสัยไม่ดี มาสร้างความดีกับปฏิบัติทิ้งจะไม่ได้แล้วราะนี้สัยเลวนีสายร้ายนีสายไม่ดีเพราะไม่มีความเลื่อมสายในทางดีและก็ยองไม่ยอมรับความดีที่มีอยู่แต่จะยอมรับว่าเนี่ยนอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีก็พูดกันได้ใครก็พูดได้ไอเนี่ยทำดีอย่างนี้ทำชั่วอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทำได้หรือไม่ ลงมือปฏิบัติทำได้หรือไม่ขันติความอดทนได้หรือไม่ตัปริพภทกังวลได้ไหมโปรงตอกไหมไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเหนื่อยใต่อตนเองและจิตไม่มั่นคงไม่เป็นเนื้อหนังของตนเองไม่เป็นตนของตนเองไม่มีอัตตาแล้วไหนอนัตตามันจะเกิดขึ้นเพราะตัวตนไม่มีแล้วไม่สามารถจะทาตนเป็นที่พึ่งของตนได้อัตตาตโนนาโถได ไหนเลยลจะตนไปที่บุญขังตนพึ่งตนเองก็ไม่ได้ช่วยตนเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ก็ออกไปนอกลูนอกทางไปตาม ม, ามัคคุรัคาที่เ ล, ลวละคนเราเนี่ยใช้ชีวิตผิดทางน่าที่ไดการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการจะใช้ชีวิตให้มันถูกทางต้องการให้ชีวิตมันแจ่มใสและลาบเลื่นร่ารวยสวยดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ บางคนก็ไม่เอาเลยนะที่เท่าที่สังเกตได้ที่มาที่วัดจะมีพระมาจากวัดอื่นบอกให้เดินจงกรมช้าๆเดินเหมือนสวนสนามเขาบอกไว้เขาทำอย่า ง, งานั้นก็ไปทำที่ไว้ของคุณเพราะว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้ช้าโปดช้าจะได้พระสองเล่มงามโบราณทานว่าไว้ต้องต้านสติสีปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นสีตาเห็นก็ยังไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลํามก็ยังไม่เท่าจิตหยับยางต้องตั้งสติก่อนจะทำอะไรอย่าบังอาจอย่าพูดพลาดลงไปช้าพดช้าจะได้พลาดสองเล่มงามใจเลียวด่วนได้พรามสว่าดขาดหัวใจจะทำอะไรไม่ได้ดีได้ดีกับเขาทำอะไรใจเลี้ยวใจด่วนชวนจี๋หนีความดีสร้างแต่ความชั่วเอาตัวไม่หลอดไม่สามารถจะปลอดภัยไปไหนไม่สะดวกสบาย ไม่ปลอดภัยชูจะดทัพย์สินไม่สามารถจะมีที่พึ่งทางใจติดตัวไปได้ก็ออกมาในระบบและเบียบนี้ชัดเจนมากคนที่รักดีมีปัญญาหายากคนที่หาความสุขทางใจนี่หายากมันไปหาความวุ่นวายมาให้จิตใจตลอดรายการดูไม่สุขชอบสร้างแต่ความทุกข์ความยากความลำบากตลอดรายการเพราะอดทนไม่ได้ไม่มีค้นจิธรรม ไม่สามารถจะอดทนต่อการงานและหน้าที่ของตนได้เลยก็กลายเป็นคนหลังยาวหลังสัน้นทำอะไรก็ไม่ได้ผลชนสัน้นยาวก็ไม่รู้จะเห็นสั้นดีกวยาวหรือจะเป็นยาวดีกว่าสัน้นจะคิดกันแค่หัวบรรไดหรือจะคิดการกลายถึงสหรัฐอเมริกาจะคิดหลอบลูของการทั้งขานเราก็ไม่สามารถจะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นแล้วท่านจะไม่เห็นตัวตา จะมีแต่ความประมาทพาดพลั้งอยู่ตลอดรายการจะไม่ได้ผลงานประจำชีวิตของท่านแต่ประการใดท่านทั้งหลายเอ๋ยดูทุกคนนิสัยเหมือนกันไหมพระนิสัยเหมือนกันทุกองค์ไหมวัฒนธรรมเหมือนกันไหมท้องเดียวกันก็ไม่เหมือนกันพี่น้องก็ไม่เหมือนกันไม่ปลองรองกันเพราะจิตใจต่างกันมาต่างด้วยกรรมต่างฐานะต่างเหตุการณ์มาเกิดในท้องเดียวกันแล้วดีเหมือนกันทุกคนไม่ได้ บางคนก็ดีเหนือเกินเลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องบางคนก็ทำลายชาติสมบัติของพ่อแม่ไม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องแถมแย่งสมบัติถึงกันและกันรฟ้องร้องถึงโลงสารตลอดเรืการไม่ใช่ผู้ปฏิบททัติธรรมผู้ที่มีธรรมะประจําใจจะเกิดมเมตตาปราณีอริเ อ, อเื้อเคืือขาดเนื้อคอยดูกันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตแตสังคมชีวิตเขาก็จะกลงไปสู่ที่หมาย ก็การเป้าหมายของชีวิตนี้เนะี่ยถ้าคนดีมีปัญญาจะไปได้ลุ่งโลดโทษธนาการถ้าเราเกิดปีเดียวกันนักเรียนรุ่นเดียวกันนักเรียนในร้อยจอปรอมรมารดยการบางคนเป็นที่ในผลเอกบางคนก็แค่ตันแค่พันเอกพิเศษแล้วก็เปลดกระสีนไปมากมายหลายประการทําไมมีความรู้เรียนทันกันทําไมฐานะไม่เหมือนกัน พระมีบุญวัฒนาไม่เหมือนการเวลาเนี่ยเป็นตัดเวลาเป็นการตัดสินใจเวลา เ, าเท่าเทียมกันหมดในโลกแต่ใครหนอจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม้แต่วินาทีเดียวให้เป็นประโยชน์กับชีวิตมันต่างกับตรงนั้นบางคนปล่อยให้เวลาหมดไปเ ป, เปล่านาทิดาเวลาก็หมดไปชีวิตนี่ก็หมดไปตามมันเวลาความสึกสอสึกหลอของร่างกาย ก็เท่าชะเลแก่ชลาไปตามกันผลงานก็ไม่เกิดขึ้นกันในเขาเหล่านั้นการเจริญประกรรฐานต้องการตรงนี้ต้องการให้มีสติดียืนหนอห้าครั้งทำให้ได้สักคนหนึ่งทาให้มันได้ยืนหนอลงไปจีปลายเท้ากำหนดตั้งสติให้ได้ปลายเท้าขึ้นมาตั้งสติให้ได้นี่เละเรียกว่าตัจักปัญจกะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนว่ายืนตั้งสติ ยืนก็มีสติยืนเดินก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติกําหนดให้ชาติที่สุดเท่าที่จะชาติได้ตองตั้งสติตลอดเดินแล้วก็นั่งนัง่งกําหนดลมหายใจเข้าออกให้ยาวๆตั้งสติไว้ให้มันได้ตามลมหายใจตามอารมณ์ของเหล่านี้เราจะได้มีความรู้จริงรู้ซึ่งตื่นลึกหนาะบางขึ้นมาแล้วก็นอน นั่งแล้วก็นอนกําหนดพองหนอยุบหนอให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ให้กําหนดได้จังหวะอย่าให้มันเสียลมไปเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์สตย์ที่ผลแต่ประการใดไม่ได้เคยตั้งสติเลยแม้แต่น้อยไหนเลยลจะมีธรรมะประจําจิตประจําใจธรรมะคืออารมณ์ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือจิตสู่ภาวะแห่งความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิต เดินทางสายการทางเดินเดินทางเดินขอชีวิตถูกต้องแล้วชีวิตเดินมีความถูกต้องทําไมเดินถูกต้องก็เหตุใดถ้าบางคนเนี่ยเดินไม่ถูกต้องเลยชีวิตนี้ยังแล่นแค่หาความดีไม่ได้คนที่จะดีได้เนี่ยต้องช่วยพอ่อช่วยแม่ได้ปู่ย่าตายายช่วยสังคมได้แล้วก็มีแสดงออกถึงอัจฉริยะสายมีน้ําใจอารีอกอบอบ้อมอารีซึ่งแต่ละกัน เพื่อกูรอดนุนซึ่งกันและกันเป็นต้นอันนี้การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าเราขาดธรรมะมาได้ขาดสติมาได้ความเป็นมนุษย์ก็หมดไปจะสมบัติมนุษย์นี้ก็จะไม่มีอยู่ในตัวตนของบุคคลนั้นกลายไปมนุษย์สเปโตมนุษย์เนลิยเนเนลาริโกมนุษย์สิเนเดราฉานอมันก็ออกมาร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ประการใดเพราะขาดสติขาด สำ ม, มัจฉัญญะขาดธรรมะคือขาดปัญญาไม่เป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วเลยก็มีทิฏฐิมาณะต่อกันเลยจิตใจก็เดินทางสายผิดใช้สติปัญญาไม่ได้เดินทางไปหาหายานะไปหาความเลวร้ายในชั้งโคมของเขาต่อไปดูประเภทคนประเภทนั่นจะหาความเจริญไม่ได้ไม่เดินไปทางจเจริญรุ่งเรืองเดินไปทางเสียหาย แล้วก็เข้าใจว่าตัวนั้นถูกต้องเสมอไปแต่กลับกลายเป็นถูกใจมันไม่ถูกในเอ า, เอ า, เอาถูกจิตใจที่ถูกต้องท้องธรรมะด้วยความถูกต้องเลยเป็นการอารมณ์ถูกใจทําอะไรก็มาได้ผลเสียหายมากมายแต่กองขอฝากไว้การเดินจงกรมการนั่งทําสติให้ดีอย่าไปคุยกันต้ตองการนี้อย่าพูดตาปากไม่พูดคิดไม่คิดท่านจะมีสมาธิภาวนา ไอปาก็ยังคุยบุย้ยปลายบุ้ยมาแล้วจิตก็ยังคิดฟุ้งฉาดนับรลักกาคาการกําหนดขิดขาดธรรมะที่ประจําทีป่ประจําใจแล้วเอาดีไม่ได้ท่านจะเป็นสมาชิกไม่ได้เนีย่ยมาตอบเราว่ามีสมาธิเราไม่เชื่อคนยังพูดมากยังคุยกันยังนินทาการท้าความล้างโคโ น, น้นใหม่ดีคนนี้ใหม่ดีตัวดีคนเดียวคนประเภทนี้ทําปฏิบัติ ท, ทําไม่ขึ้นเป็นกฎแห่งกรรม ไม่สามารถจะปฏิบัติทำให้ได้ผลได้เลยก็ะเจใจแสบในทางชั่วขาดสติปัญญาขาดความเชื่อความเยื่อมใสขาดมั่นใจต่อตัวเองไหนเลยจะเจริญกรรมฐานได้เจริญไม่ได้ลบางคนคิดไม่ดีกับพ่อแม่มานั่งกรรมฐานไม่ได้ผลไม่ได้นิสงแต่ประการใดคิดไม่ดีว่าแม่ไม่ดีว่าพ่อไม่ดีคิดเท่านี้ก็เจงเชจงปีไม่ลงแล้วคนนั่นดีไม่ได้เนี่ย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 มันก็จะมีสติปัญญาของมันเองเฉลียวฉลาดตามหน้าที่ตามวักตามตอนเหมาะสมตามหน้าที่และการงานชีวิตจะเป็นแก่นสารทำอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปมีความหมายอย่างนั้นอขอฝากผู้ปฏิบัติทำไปด้วยบางคนผู้ปฏิบัติมาสามวานันกลับไปแล้วเดินยกปลอมยังไม่ได้เลยจังหวะก็ไม่ถูกต้องสติก็ไม่ดีธรรมะจะมีอยู่ในใจท่านได้อย่างไร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 ยืนหนอห้าครั้งโปรดลูนาทํากันให้ได้ถ้าทําได้เลยยังอื่นได้หมดจะเดินจงกรมก็คลองแคล่วนะช้าเพื่อวายเสียเพื่อดา่าทำให้ช้าไว้ยทาไมเพื่อไวายพอเรามีสติยุยคจิตได้จะวิ่งไปทางไหนสติมันจะบอกก้าทางไหนโดดทางไหนเดี๋ยวจะล้มทางไหนควรจะพยุงตัวอย่างหลงสติมันจะบอกไปทุกระยะ ถ้าคนขาดธรรมะขาดปฏิบัติธรรมแล้วจะวิ่งยังไงเดี๋ยวก็ล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดโถท่วมอยู่ในช่วงกระตายนี่แหละคนขาดสติขาดธรรมะเป็นอย่างนั้นคนที่มีธรรมะดีแล้วทำให้สุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีในมาสุขภาพดีแล้วจิตดีก็มีสุขภาพดีในมาจิตดีต่างสตรีทั้งปัญญาปฏิบัติได้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 จะทําอะไรก็เป็นมากเป็นผลจะทําอะไรก็เริ่มต้นด้วยการตั้งสติสั้งปัญญะจะทําอะไรก็ลิเริ่มดํดงงาเนินงานทันทีอย่ารอลีจะประการใดจะมีแต่ความขยันหมั่นเพียรจะไม่มีเกลียดขิค้านต่อหน้าที่จะมีการรับผิดชอบตัวเองตลอดเลยการตลอดต้นจนปลายจะยอมรับความเสียหายที่เราทําขึ้นนี่แหละก็เรียวกว่าปฏิสังขรณ ร่างกายช้งขาเรียบร้อยแล้วข้าวของมันจะเสียหายก็ปฏิสังขรณขึ้นมานี่แหละการงานดีหมดในเมื่อติต ด, ดีสชือย่างเดียวสติดีธรรมะดีและการงานก็ดีขึ้นจะไปเข้างานบริษัทจะรับราชการการงานในหน้าที่ก็จะดีขึ้นลุ่งเรือโลดโชตินาการไหนเมื่อการงานดีการเงินก็ตามมาการเงินก็ดีขึ้นในเมื่อการเงินดีแล้วก็การสังคมก็ดีขึ้น ไปไหนมีแต่ทรัพย์สะดวกสบายจริงๆไปไหนก็มีแต่ชื่อเสียงคนไว้ใจไปไหนก็มีแต่ความรักคนต้อนรับขับสู้ดูฟังนามไปไหนก็มีคนรู้จักมากขีช่างความดีในสังคมและมีคนยอมรับเครดิตดีในสังคมด้วยมีแล้วถ้าจิตท่าเลวไล่ต่อไปแล้วท่านจะไม่มีใครรับรองท่านสังคมก็ไม่ยอมรับเข้าในหมู่ไหนหมู่นั้นก็สายหน้าสายตา ไลค่คุณรสับคุณรส้อมบาดขาดเด็ดผลไม่มีกูสอนอยู่ในชีวิตของเขาออกมาอย่างนี้ถ้าปฏิบัติ ท, ทําได้จริงดังที่กล่าวต้องอดทนต้องมีศัจธาเดินหนึ่งชั่วโมงต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่กูเหยียดเดินกลับไปบ้านแล้วไม่ต้องเดินจงกรมเลยนั่งอย่างเดียวท่านทํ า, ทาอีกร้อยปีท่านก็ไม่เด็ดผนต้องพร้อมจะเอาเยอะบททั้ง4 ท, ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเหยียดขาตั้งสติ กำหนดทุกอริยบทถึงจะรู้วงจรของชีวิตโคจรของชีวิตถูกต้องแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ไม่พลาดไม่ผิดอาจจะได้มีว่าขามันคาหุ้นทางเดินไป น, นานาโพดชั้นปรยายภพภายเบื้องหน้ากๆต่อไปจะทําอะไรก็รู้ตัวตายมันจะตายตอนไหนอย่างไรอย่าประมาทคาเทถอนว่าเราตั้งต้นในชีวิตนี้เราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ด้วยการตั้งครีมไม่มีใครรอดพ้นจากอันนี้ไปได้ของจริงห้าประการทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บแจะต้องตายสองพลาดลาจากของเป็นทิรักเป็นทิชฌ์อกลายเป็นกรรมของตนกาลยานางวากะกากแบบกังวะกรรมอยู่ที่ตัวเองกรรมมโยนิกาลยานางวาปาปบบกังว่าเรามีกรรมมาด้วยกันทุกคน แล้วกรมเนี่ยกรรมมพันก็เกิดขึ้นเต่าพ่อแม่ที่สร้างเวรสร้างกรรมให้ลูกลูกก็เป็นกรรมมพันเป็นง่อยเปียกเสียขาเป็นที่ถูกกูดถังแล้วก็เป็นโรครายเกิดขึ้นเพราะกรรมมพันนั่นเองจากการกระทำแล้วพระเจ้าแสดงไว้ชัดเจนใครจะพลาดจากข้อความจริง5ประการนี้ไปไม่ได้เลยแต่เรามีสติดีก็ไม่บางอาจไม่ตรวงจับต่อท่านผู้ใหญ่ แต่ประธานใดจะทํางานได้ผลย่งสมค่าปัณหาอย่างที่ชี้แจงสแสดงมาโอวาทนวันนี้ท่านลาไปก็ขอโหติีกรรมอย่าเรียกพระธ ร, รมวัดแปลว่าขอกายกรรมวจีกรรมต่อกันนั่นเองเราก็มีการโหติกรรมกันอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้มันต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวก็กลายเป็นคนเป็นกฎแห่งกรรมกรรมไม่สิน้นชีวิตนี่จะหมดหวัง แต่ยังมีกรรมมันยังไม่ชิ้นมันยังมาลาควานอยู่ให้ชีวิตจาบสิ้นหวังจะหมดเวรหมดกรรมต่อชีวิตมีกรรมดีนะจิตใจก็ไม่ไม่สิ้นหวังชีวิตนี้ยังมีความหวังที่เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะประกอบความดีมีปัญญาต่อไปชีวิตคงจะไม่สิ้นหวังชีวิตนี้คงไม่แหลนแคนชีวิตนี้จะมีแบบแผนและแปลงได้อย่างดีต่อไป ก็มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกคนวันนี้จะมาไปเฝ้าชมเดนียบประเทศเน้นที่จะมาอยู่ที่นี่พระเทพรับสั่งบอกว่าปฏิบัติธรรมที่วัด น, นี้ได้ผลมสมค่าศาถนาบอกรลวงพ่อคะ่ะที่ชั้นนี้ราชานุเคราะห์เด็กต้องเจ็ดแปดร้อยวันนี้เราก็เอาปัจจัยไปถวายท่านราชานุเคราะห์เด็กแล้วก็้ายวันพระรจะสมภพกิจการประโสนิมาวันก่อนโน้น อันนี้มีความหมายอย่างนั้นแล้วก็ข้าวมูนิชิสมเด็จย่าสมเด็จย่าอีกหนึ่งแสนบาทถวายสมเด็จประเทศอีกแสนบาทราชานุเคราะห์เลยท่านกอถวายข้าวของมาแล้วก็ท่านกอเชิญราจารย์ลาวใช้บอกว่ามร้องพอฝากอุระบุไว้วันนี้มาเข้าฝวามไปมากมาเสวลาธุจิจดาลักนี่แหละความดีอันบอกว่าเราราชานุเคราะห์ช่วยเขาเรียนหนังสือ ช่วหเหยียดเป็นคนดีแล้วเขาสร้างความดีเกิดขึ้นโดยปฏิบัติธรรมบวชเนนทุกปีแล้ขอมาฝากวัดอภวันทุกปีด้วยก็ขอให้หลวงพ่ อ, อวัดอภวันได้รับราชานุเคราะห์ของท่านด้วยเพื่อช่วยกันเมื่อพิกรารก็ถวายวีนี้เราก็ถวายท่านอีกแล้วก็ถวายมูลยีทีของธรรมเดชญาอีกหนึ่งแสนบาทเพื่อเอาดอกผลอันนั้นไปช่วยตํตารวจทหารตะเวนชายแดน ช่วยคนยากลไรยากจนในประเทศไทยเดี๋ยวว่าการจนาพิเศษเก้าธันวาวันนี้เอาหนังสือไปถวายด้ว ย, วยที่เราฉวดมนวันที่เก้ตลอดมาเป็นปีที่เก้าครั้งก็ได้จะถูปัจจัยชยทานก็ถวายเป็นทุนชทยพัฒนาพ้องประเจอยู่หัวปบาตรต้มเหลียกประเจอยู่หัวเราเพียงจะตั้งใจนะทําอะไรทํำด้วยตั้งใจท่านก็อนเอาข้อสุภาษานโดยน้าประทานใจในหลวง เอามาถวายเราร้อยเก้าถึงแปดสอบตัางใจอย่างนั้นนะนี่แหละท่านทั้งหลายบุญงอกได้ไม่มีหอดหูหรอกท่านอย่าทําใจโหดหูอย่าทําใจเหี่ยวแห้งอย่าให้ท่านแล้งน้ําใจในอัจฉริยะสายเลยมีอัจฉริยะสายมีน้ำใจกันบ้างคนที่ปฏิบัติธรรมได้จะมีพร้อมดี๋ยอัจฉริยะสายมีน้ําใจอันดีงามโอบอ้อมอารีวัจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนให้เป็นกลาง ทำอะไรก็มีเมตตาวันนี้สัมมากักรวังล้อมมาเป็นกรงหมบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วมีอาจารย์ตุลาเป็นอิสลามเป็นอิสลามบอกว่าตระกูลฉันเนี่ยเป็นอิสลามตลอดมานะบัดนี้ดิฉันปฏิบัติธรรมแล้วตามที่หลวงพ่อสอนบัดนี้ก็ใช้เอาของพุทธไปใช้จวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ลูกตาดีหมดทุกคนเลยลูกตาดีก็มนุนอิสลาม อลามก็ตั้งใจปฏิบัติขอขอเรเรียนพรญาติโยมทั้งหลายเนี่ยวันนี้มีทั้งคริสต์ทั้งอิสลามที่สำนักประชวรตลอดรายการบอกว่าปฏิบัติธรรมของน้องพ่อหมดแล้วแล้วก็เขาทูลข้าวสารเคยมารับทางข้าวที่นี่ขอขอภาวนาให้เดือนละสองก็ชอบข้าวอย่างดีกระพริบชิ้นมาพาอศานก็จะขอภาวนาข้าวสารอตมาพ่อโนโมทนาฐานทุกการทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติได้จิตจะเป็นทาน จิตจะเป็นเมตตาจิตจะเป็นศีลจิตจะเป็นภาวนาทำอะไรก็ให้ภาวนาให้มันผุดขึ้นมาในดวงใจใช้สาอาดโดยทุนาการจะมีประโยชน์มากเราวันนี้ไปเฝ้าก็มาเดี๋ยวไปเฝ้าปล่าเมื่อพิจาริก็ถวายพระแทบหนึ่งแสนวันนี้ถวายอีกถวายทุนเด็ดยา่ขาข่ามูลยนิชิตอนไม่ศูนก็เอาดอกเบีย้ยเนี่ยมาช่วยคนยากคนจนช่วยคนนอนดอยตรงน่ยช่วยชาชาวเขาเผ า, า, า, า, าแมว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 แต่ประการใดเลยทําใจให้เป็นมหากรุชอนช่างตนไวที่ชอบประกอบการไวที่ควรจะสมส่วนควรกันณนะบัดนี้ในี่แหละท่านเข้าถึงธรรมะท่านจะซึ้งใจเองท่านจะซึ้งใจและท่านจะฝ่ายดีท่านจะมีสัจจะจะพูดจริงทําจริงจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดสอเสียจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพ้อเจอ้อเลวเหม็นเปรียรร้ยวเลียวลดพดเคียวแต่ประการใดจะพูดแต่ความจริงใจ เข้าถึงซึ้งใจซึ้งซึ้งใจจริงๆดาบดีแต่เมตตาที่จะไม่กลับไปสู่ทางช่วยต่อไปแล้วนี่ความจริงแล้ซึ้งใจเกิดชัดจะเกิดความจริงในใจทุกคนเกิดความจริงและเปิดอะไรเกิดแสดงผลงานออกมาจริงใจรู้ใจเขารู้ใจเราเราก็ต้องรู้ใจเขาเขาต้องรู้ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา มันก็จะเกิดผลลีเกิดขึ้นผลลาจะไม่มีเลยคนนั้นจะเต็มไปด้วยกตัญญูกตเว ท, ทิตาธรรมสรุปให้ฟังทาง่านทาเข้าถึงสองเรื่องจสามฝ่ายดี4มีชัจจห้กตัญญูกตเวทิตาธรรมเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนขอให้ท่านทำให้ถึงพันนะไม่ช่มาพองหนอยบหนอเดินตรงกลมแล้วก็กลับไป คนด่าบ้านถามว่าไปวัดไหนมาไปวัดนอนหนอแห น, แน่เลยก็โยมกยม็แน่แหนนอนหนอไม่เกิดไประโยชน์เลยนะการกําหนดโกรธกาหนดเสียใจดีใจก็กําหนดที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆเดี๋ยวก็หายไปเปลี่ยนอารมณ์ซะเท่านี้ก็ยังทําไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรอีกขอฝากญาติโยมปรับไปตั้งใจทํานะเสียใจก็อย่าให้มันค้างอารมณ์ค้างไปเช้ากําหนดให้ได้เดี๋นี้ปัจจุบัน เราอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนแตา่มาจึงผูกหลักนี้ขึ้นมาไปไหนปากอย่าววยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟืน้นเรื่องคนอื่นอย่ามาคิดคิดที่ชอบทําให้มันเสร็จอนาคตอย่าจับมั่นให้มันตายเดี๋ยวผิดหวังจะเสียใจยตลอดชีวิตเอาชีวิตนี่เอามาตั้งไปเดิมพานเดินทางให้มันถูกแนวปฏิบัติของธรรมะคนไหนมีธรรมะคนนั้นมีศักดิ์ศรี มีเครดิตมีคุณสมบัติมีทรัพย์อันประเสริฐล่ำเดินทุกประการมีชื่อเสียงเลียงนามมีคนไหวเนื้อเชื่อใจไปไหนมีแต่คนรักคนนับถือสร้างฐานะดีมีปัญญาไปวันนี้ในพสมัครประชวังศ า, าลาดุจดายมีท่านทั้งหลายผู้ใหญ่มีคนหนึ่งสีปาดมานั่งคุยบอกหลวงพอ่อผมปฏิบัติแล้วผมรู้จริงอย่างนี้ ผมก็ได้มาอย่างนี้เลื่อนปูดทวดมาเนี่ยจะชี้ปาดแล้วต่อไปเห็นเจ้าตองติดสีก้าแล้วเป็นรองอธิบดีแล้วนี่แหละก็ได้ผลอย่างนี้นะที่พูดเนี่ยเรื่องจริงที่ผ่านมาประสบประการณกับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่มานั่งหลับตาฉันได้ยาทิพย์หกได้นอนได้นี้และจิตใจยังสผลกปรกลามมกอยูตลอดเลการไหนเลยจะจะได้ผลถ้าผููได้ปฏิบัติทำได้อันดับหนึ่งเมตตาขยันมันเพียน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 จะจิตใจดํำอามตะเที่ยโหทาลุณด่าดุร้ายขา่าตรัตัวเป็นจระจำตายเลยโปรดมีเมตตาตรอสรรพสัต์เถอะเดี๋ยวท่านจะง่อยเปียดเสียขาขาหักคอหักนะคอฟาบวายฟ้าผานะสายสุริบ า, ฟาตฟาดลงมาเลยทันทีนี่แก่ได้แก่ตัวเราแล้วเรากลัวแล้วเราจะไม่สร้างเวงตารรมกับใครต่อไปใครจะสร้างเวงตามกับเราขอให้กลับไปหาเขาเองเราจะไม่ขอสร้างเวงสร้างกรรมรต่อใครอีก จะมีจะแผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญโดยทุนากันเราจะไม่ต้องการให้เขามีทุกข์เลยเราก็มีทุกข์ด้วยกันทุกคนเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่ด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนเจ็บแล้วต้องเป็นเพื่อนตายด้วยกันอย่างมีอะไรกรันเลยมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นั่นคือหลักธรรมถ้าใครปฏิบัติทำได้จะมีแนวร่วมแนวคิดอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าปฏิบัติทำไม่ได้มันจะมีทิฏฐิมานะ ดาคนนอนว่าคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้คนประแภทนี้ไม่ใช่คนธรรมะเป็นคนไร้สาระเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐเลยขอฝากไว้ทุกท่านตัดตองการของดีปฏิบัติเอาดีไว้ถ้าท่านดีมีดีอยู่ในตัวเองไปไหนดีหมดถ้าท่านตีมีชั่วอยู่ในใจไปไหนชั่วหมดทั้งครอบครัวทั้งลูกตาเอาดีไม่ได้ด้วยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้โดยทัุ่นากาัน นี่แลด็จุระเทชจริงจะฝากเนนมาราชาณุเคราะห์ทั้งหมดทั้งหนึ่งพวกเด็กหญิงเด็กชายทั่วราชนาจากักรอยู่คนละจังหวัดชายแดนทั้งหมดแล้วก็ให้จวลาบ้านที่จะฝึกผู้หญิงว่ายผู้ชายก็จะบทเนบเนบทเมนให้ประเทศแล้วก็มาอยู่ที่นี่ราชาณุเคราะห์แล้วก็ชั้ ม, มเนรเก่าก็เป็นัวหน้านําถวายกรวยขอลาบรรดาชาไปชั้ ม, มเนร สมเด็จพระเทพก็ให้โอวาดให้โอวาดได้ดีมากโอวาดบอกว่าพึงตัวเองนะคุณหนูเราซึ่งใจสมเด็จพระเทพอีกข้อหนึ่งว่าสมเด็จท่านบอกว่าเนี่ยเธอนะั่นนะเหมือนลูกหลานเรานะเอาศร้ษษาสร้างความดีนะเนี่ยคำนี้เป็นคําซึ้งใจมากประดุดว่าลูกหลานของเราเราจะช่วยเจ้าตลอดไปขอให้เจ้าตั้งใจเรียนหนังสือ ตามความดีว่าจะยากดีมีจนไม่เป็นไรเหมือนลูกหลานของเราคํานี้ซึ่งอาตมามากก็เชิญพร ย, ยมว่าท่านพูดอย่างนี้บอกว่าเป็นลูกหลานของท่านนะจะเป็นลูกต้าเราทายตามสีตาชาที่เขตแดนชายแดนทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวคํานี้แล้วก็เด็กเขาก็น้าตาร่วงเลยนะนี่นะเป็นลูกหลานทของประเทศนะทางประเทศจะอุปการและอุปถรัรมม์ต่อไป ก็มีความหมายดังกล่าวแล้วขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายบรรพนชนจักเลนหัดขอให้ตั้งใจทําอะไรทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความเคารพทําด้วยเจตสงอบและทําด้วยความถูกต้องเหตุการณ์จะใช้อะไรก็ใช้ปัญญาใช้สติสัมปชัญญะก่อนค่อยเดินในงานรับรองไม่เสียหายแต่ประการใดก็ขออํานาจความดีอันนี้ อำ น, นจาจคุณป ร, ระสิทรัตนาตายโดนบัณดารให้ทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขาพละปฏิพานนาฏรามบัตรในเกจิี้ประการได้ชมความมุมม่งมาปรารถนาด้วยกันทุกทุกนามณโอกาสบัดนี้เถิน